จเจริญพรโยมทั้งหลายหลวงพ่อมาเทศที่นี่ก็ยี่สิบกว่าครั้งแล้วนะไม่รู้จะเทศอะไรแล้ ว, ลวธรรมะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมาสอนมานิดเดียวอย่างหลวงปู่เทศนันท่านก็บอกธรรมะมันของเกา่าเทศก็มีแต่เรื่องของเก่ากิเลสก็ของเก่า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 ที่ท่านสอนนะเวลาเราจะพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันถึงจะแยกไขนะ่ธรรมะหมวดที่สองที่เราต้องเรียนนะอย่างเรื่องสมถ ะ, ะวิปัสสนานะก็เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาสาระเยอะแยะไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านูพระภิกษุทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะกับวิปัสสนาเนะี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะมีเนื้อหามากมาย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 ทำยังไงจะรู้ทุกทำยังไงจะละสมุทยัยจะแจ้งนิโรธจ ะ, จะเจริญมรรคในหมวดที่5อย่างทำยังไงจะมีพระ5มีอินสี่ห้านะมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาแต่และเรื่องแต่และเรื่องต้องเรียนเยอะแยะไปหมดเลยในหมวดที่6นะเช่นเรื่องอินสี่สังวรหกทำยังไงเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยเราจะสามารถ มีสังวรคือว่าถ้าจิตยินดีขึ้นมารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันจิตก็จะไม่กระเพื่อมบันไหวยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิภภ่นรสผลึกพะธรรมรมที่มากระทบอย่างในหมวดที่7ดยกตัวอย่างนะหมวดที่เจดหนึ่งเรื่องโพชชงเจตใช่ไหมกว่าโพชชงเจตจะบริบูรณ์ก็เยอะแยะเลยในเรื่องมร์แปดใช่ัหมองมร์มีองแปด กว่าองค์มากทั้ง8จะไปชุมกันขึ้นมาได้ก็ไม่ใช่ง่ายนะในเรื่องหมวดที่9เรื่องโลกุตละธรรม9อย่างมีมรรคสผล4นิพพานหนึ่งนี่กว่าจะแจ้งนะก็ฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะหมวด10อย่างทศบารมีจะทำไงจะสร้างบารมีให้เต็มนะในไม่ธรรมะนะมีเรื่องที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติมากมายนะมากจนกระทั่งแค่ได้ยินก็ท้อแท้ใจลว หลวงพ่อก็เคยทอแท้ใจคราวหนึ่งไปหาหลวงปู่ดูลท่านเทศให้ฟังเทศเทศเทศจนเราเนี่ทอแท้ใจมากเลยท่านเทศตั้งแต่ว่าจาั ก, กรวาลเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนี่เกินสิบหมวดที่หลวงพ่อว่าอีกนะจั ก, กรวาลเกิดขึ้นมาได้ไงนะจิตมันเกิดมาได้ยังไงนะจนกระทั่งเจะถึงนิพพานนิพพานยังไงสอนเยอะแยะไปหมดเลยฟังเราทอแท้ใจ ส, สุดท้ายนะถามท่านซื่อๆเลยที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวพอไหมท่านบอกว่าธรรมะแ4 0 0มสพระธรรมขันธ์ออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนี้จิตของเราเนี่ยไม่เฉลียวฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเรารู้ไม่ถึง 84%, ดหมพ0 0พระธรรมขันธ์หรอกแต่ว่ามันก็รู้พอที่จะ้นทุกได ให้เราเรียนรู้ลงมาในจิตในใจของเรานี่มีสตินั่นเองมีสติเป็นเครื่องมือถ้าเรามีสติอย่างเดียวนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยเนะีธรรมะฝ่ายที่ดีๆทั้งหลายจะเกิดขึ้นเองธรรมะฝ่ายชั่วๆทั้งหลายจะถูกละไปเองนะอย่าอกูศลจะถูกละไปเมื่อเรามีสติอากุศนอากุศนจะเจริญนะตัวกูศลจะเจริญนะเมื่อเรามีสตินี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 วันนี้จิตมีกําลังแนละ้วดูร่างกายเป็นาธาตุเป็นขันธ์เห็นาธาตุไหลเข้ า, าธาตุไหลออกอนะไรอย่างเงี้ยนะเขาดูของเขาอยู่อย่างเนี้ยงั้นไม่ใช่ว่าเข้าห้องน้ําก็ห้ามปฏิบัติสตินั้นต้องเจริญไว้ตลอดเวลาเท่าที่ทําได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถ้าเมื่อไร่ขาดสติเมื่อนั้นอกุศลจะเข้ามาแทนอกุศลกล้ำงําจิตเมื่อไร่ความทุกข์มันจะตามมาะงั้นให้พยายามมีสติไว้นะมีสติ เขามีสติไปอากุศลดับกุศลเจริญจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นกุศล น, นะเป็นความฉลาดกุศลมีความสุขนะเป็นผลของมันนะค่อยฝึกค่อยฝึกไปเรืยไม่มีอะไรมากนะธรรมะจริงๆมีเท่านี้แหละไม่รู้จะกลุยอะไรให้ฟังละยิ่งนานวันยิ่งสั้นลงเรื่อยๆเมื่อก่อนลงงข้าไม่เข้าใจนะไปหาครูบาอาจารย์ พรูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะีเข้าไปหาแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ท่านพูดนิดเดียวยิ่งแก่ยิ่งสั้นลงเรื่อยๆอย่างหลวงปูด่ดูนนะตอนหลังๆเข้าไปหาท่านก็สอนใครมาถามธรรมะท่านบอกดูจิตจิตยาส่งจิตออกนอกอย่างนี้คํำสองคำไปหาหลวงปู่เทศท่านก็สอนจิตอย่างใดใจอย่างนั้นจิตอันใดใจอันนั้น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 นี่เรามีหน้าที่นะฝึกสติไปด้ยจ oui. นจิตมีสติอัตโนมัติอยู่เนืองๆนะสติหมุนจี๋จีขึ้นมาทั้งวันทั้งวันเลยจิตหมุนไปทางตาสติก็รู้ทนันจิตหมุนไปทางหูสติก็รู้ทนันจิตหมุนไปในโลกของความคิดสติกรร็รู้ทนันมีตรู้ทันรู้ทันลงไปด้วยมันจะถอดถอนจิตออกจากกองทุก ค, คือตัวอารมณ์ทั้งหลายถ้ารู้ไม่ทนันจิตจะไปติดอารมณ์ถ้ารู้ทนันจิตก็วางอารมณ์จิตก็เป็นตัวของตัวเองขึ้นมา ค่อยเรียนนะค่อยฝึกไปไม่มีอะไรมากหรอกมีสติขึ้นมาแล้วก็รู้กายรู้ใจกายกระใจนั้นก็ต้องปัจจุบันด้วยนะไม่ใช่กายกระใจในอดีตหรือกายกระใจในอนาคตต้องดูกายกระใจในปัจจุบันทำไมล่ะเราต้องดูของจริงกายกระใจในอดีตไม่มีจริงแล้วกายกระใจในอนาคตก็ยังไม่มีนะอดีตก็จบไปหมดแล้วอนาคตก็มาไม่ถึงให้รู้อยู่ในปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจจุบันนะ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 การปฏิบ so ัติส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ที่จิตแล้วเพราะกายเนี่ยจิตรู้แจมแจ้งแล้วจิตเนี่ยจะไม่สนใจที่จะดูกายเท่าไหร่แล้ะมันรู้แจ้งไปแล้วอะไรที่รู้แจ้งแล้วมันก็ไม่สนใจเห็นไหมอะไรที่ยังไม่รู้แจ้งยังลึกลับอยู่เนี่ยก็สนใจอย่างเราเจอสาวคนหนึ่งใช่ไหมมันดูแปลกๆนะมันก็สนใจเห็นไหมถ้ารู้จักแจ่มแจ้งแล้วก็งั้นๆไม่สนใจนี่จิตนี้ก็เหมือนกันพอมันรู้อะไรแจมแจ้งแล้วมันก็วางไม่สนใจนะ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 ว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากความทุกข์ว่างจากความปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ว่างเปล่านิพพานมีอยู่เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งมีอยู่ครอบโลกครอบจักรวาลนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่ดับเพราะนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่มีที่ตั้งเพราะนิพพานเต็มโลกธาตุวันใดใจที่พ้นจากความปรุงแต่งใจใหญ่ใจเต็มโลกธาตุก็จะเห็นธรรมะคือนิพพานที่เต็มโลกธาตุ เรียกว่ามันเสมอกันนิพพานก็เป็นหนึ่งะเป็นธรรมที่เป็นหนึ่งจิตซึ่งไปรู้นิพพานก็เรียกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านอาจารย์พุท ธ, ธาทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงปู่บุร ด, ดาท่านเรียกว่าจิตเดียวเนี่ยหลายสัมนวนนะจริงๆในภาษาทางอาภิธรรมก็จะเรียกว่ามหากิริยาจิตเป็นจิตซึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่งนะ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 ผู้ควรพระเนนเถนชีนะสอนไปหมดสอนเทวดาสอนมนุษย์หมดธาตุหมดขันนะท่านก็ทิ้งธาตุทิ้งขันไปนค่อยๆพวกเราต้องศึกษานะค่อยๆเรียนเนี่ยน้ใสหลวงพ่อนะเทศต้องเทศตั้งแต่ต้นจนจบก็ลหลวงปู่ดวลนท่านเคยสอนไว้นะท่านบอกเวลาฟังธรรมะเนี่ยมันจะได้ประโยชน์สมบูรณ์เต็มที่นะต้องถึงพร้อมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องให้พร้อม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 เพรอยู่ที่พวกเราเองที่จะมีความพากเพียรพยายามแค่ไหนเบื้องต้นพยายามฟังธทำให้รู้เรื่องซะก่อนเรียกว่าเรียนปริยัติเรียนปริยัติไม่ใช่แปลว่าต้องไปเรียนจนเป็นมหาเป็นอะไรนะเรียนปริยัติหมายถึงได้รับการถ่ายทอดให้รู้จักวิธีปฏิบัติอาจจะถ่ายทอดด้วยการเรียนปริยัติก็ได้ด้วยการฟังครูบาอาจารย์สอนก็ได้นี่ก็คือปริยัติทั้งหมดเลย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 ขันห้าเป็นทุกข์ถ้าไปร่วมไปร่วมกับขันห้าที่เป็นทุกข์อย่างยกตัวอย่างนะคะอสังขารมันฟูงขึ้นมาบอกว่าเนี่ยอยากออกจากงานนะคะทีนี้มันมันขาดไปเลยนะคะเพราะว่าจิตจิตขณะนี้เป็นไงจิตขณะนี้แหละค่อจิตขณะนี้ไม่บอกให้หลวงพ่อชื่นใจสิ้นจิตขณะนี้เป็นยังไงมันมันมันไม่เที่ยงนะมันยังแกงแกงอยู่เนียคะมันคือ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 กรรมนบัตการหลวงพ่อค่ะอหนมฟังซีดีหลวงพ่อมาค่ะแล้วก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะจะมาขอการบ้านหลวงพ่อค่ะืขอแล้วทํำไหมทำค่ะบางคนขอแล้วก็ไม่ทําการบ้านนะหลวงพ่อก็บอกไปให้แล้วนะเมื่อตอนเช้าเมื่อกี้นี้ใครรู้สึกตัวไว้ถ้าเราพูดว่าให้รู้สึกตัวเนี่ยฝั่งบางทีเข้าใจยากสําหรับคนซึ่งยังรู้สึกตัวไม่เป็นรู้จักเผลอไหมรูจ้จัก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 โลบเป็นไหมเป็นค่ะเออใจลอยเป็นป่เป็นค่ะสนน่ะเป็นค่ะอิจชาเป็นั้ยเป็นค่ะดูเป็นทุกตัวเลยตัวไหนกำลังปรากฏอยู่ในใจเราก็รู้ว่ามันปรากฏอยู่ค่ะฝึกเท่านั้นแหละค่ะเด็กเล็กๆยังดูได้เลยขอบพระคุณมากเลยค่ะครับก่าวนวัตการนะครับก็ฟังซีดีของหลวงพ่อมานะฮะฟังตั้งนานแล้วนะฮะก็อยากขอโอกาสถาม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 อะไรๆก็จะไม่เอาหมดเลยโซอกถูกเป๊ะเลยครับเออถูกสีไม่หลอกหลอกอ <laughs> ให้รู้ทันลงไปนะว่าใจไม่ตั้งมัน่นจะดู<ช>ตัวนี้<ะ>ก่อนนี่เอต้องขอกันบ้างรือขอกมรรทฐานอะไรสักหน่อยละให้มันคือผมได้รับคําชี้แนะจากท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์ ข, ของเ อ, อย่าอย่าออกชื่อบอกว่าอไม่ออกชื่อก็ได้ะฮะ <laughs> <laughs> คือบอกว่าผมบอกเออรู้สึกอยู่ที่ที่ที่ที่ที่งอกเนี่ยนะะอะไรมากระทบแล้วก็รู้สึกอยู่เนี้ยรู้สึกไปรู้สึกเองนะฮะ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 พอดูไปเรื่อยๆ ก, ก็จะเห็นเลยว่าแค่อยากขึ้นมาเนี่ยแค่เห็นจิตมันดิ้นรนแล้วมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ครับใช่อ น, นั้นแหละเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเวลามีตัณหาใช่ไหมมีอุปาทานอุปาทานคือตัณหาที่มีกําลังรุนแรงมันจะเกิดพพขึ้นมาพพคือการทํางานของจิตจิตมันจะดิ้นคและมีพพขึ้นมามันจะมีเราขึ้นมาแล้วก็มี ค, ความทุกข์ขึ้นมาดูออกไหม ดูออกครับเราหัดภาวนาเนะเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นปฏิจจส ม, มุปบาทท่านท่า น, นี้ก่นท่านปลายๆก่อนนะแต่ถ้าแจ้งปฏิจจสวุปส่วนต้นนะนน้นจะ ค, คา้ามบคํ้ามชาติเรู้แจ้งว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารนะั่นแจ้งอวิชชาเรารู้แจ้งอวิชชาละอวิชชาได้ครับตอนนี้เราเห็นแต่ว่าเั็งเกตไหมก่อนจะมีตัณหามันมีผัสสะก่อน เชี้นใจนเรารต้องไปคิดก่อนหรือตาเราต้องมองเห็นก่อนพอมีผัสสะขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาพอรู้สึกสุขมันก็อยากได้ใช่ไหมรู้สึกทุกข์มันก็อยากผลักออกไปเพอดูสภาวะไม่ออกก็หมุนไปหมุนมาหันซ้ายหันขวาครับพอมีความอยากเกิดขึ้นทีไรจิตใจก็ดิ้นรนทํางานที่นั้นจิตใจดิ้นรนทํางานทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่นั้น เพาะฉนั้นถ้าพวกเราหัดภาวานาเราสังเกต it, ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นจิตจะถูกบีบคั้นจิตของเราจะถูกบีบคันทั้งวันทั้งคืนความทุกข์เกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนแค่ยอยากดูอยากฟังนะมันก็มีความบีบคั้นถ้าอยากได้อยากอะไรนี่นะอยากทางใจมากๆแรงๆก็ทุกข์มากใจจะถูกบีบคั้นจิตใจของพวกเรานะน่าสงสารที่สุดเลยถูกบีบคั้นตลอดเวลาโดยตัวเองเป็นผู้บีบคั้น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 ปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยที่หลวงพ่อเคยพบเคเห็นมานะจะมีตัวหนึ่งเชี่ยงมันจะมีตัวนิ่งๆอยู่ไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็มีตัวหนึ่งนิ่งๆรูท้องของยุบก็มีตัวนิ่งๆหายใจก็มีตัวนิ่งๆขยับไม้ขยับมือก็มีตัวนิ่งๆไปสงวนรักษาตัวบางตัวเอาไว้เป็นตัวเรานั่นแหละต้องใจถึงๆนะปล่อยมันทีนี้จะขอกันบ้านหลวงพ่อเพิ่มเติมครับสอนให้ตั้งนานแล้ว ไปดูไปลงปัจจุบันนะครับเอย่าไปประคองไว้ก็แล้วกันปล่อยไปขณะนี้ตื่นเต้นเลยประคองไว้ครับแล้วตอนที่ไม่ได้ประคองมันจะฟุ้งนิดหน่อยะเวลาที่จิตฟุ้งสั้นให้รู้ทันลงไปนะแล้วก็ทําในรูปแบบด้วยพยายามเดินโจงกลมพยายามเคลื่อนไหวร่างกายไปเรื่อยครับค่ะหลวงพ่อกับนวัตการหลวงพ่ออยู่ไหนล่ะอยู่ไหนตอนนี้ค่ะก็คือมีคําถามที่สับสนอยู่ค่ะหลวงพ่อคือ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 การรู้เรื่องที่คิดนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติเขาก็รู้กันชาวบ้านเขาก็รู้หมาอย่างรู้เลยก็ถ้าเกิดสมมติเราตามไปรู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ใช่ก็ทีนี้คือพอเราไปตามรู้ปุ๊บความคิดตรงนั้นมันก็มันจะขาดมันจะหายไปเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อหลวงพ่อถึงบอกนะว่าตอนทำงานอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาไล่ออกพอพอความคิดนั้นหายไปใช่ไหมคะหลวงพ่อคือ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 เราการที่เราจะต้องเอาธรรมาอย่างเช่นแบบกดไตรักเข้ามาประยุกต์หลังจากนั้นว่าแบบก็คือแค่แค่คิดสิแค่แค่รู้ทันว่าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าจริงๆมันไม่มีความโกรธเกิดขึ้นเพราะความโกรธเกิดขึ้นในใจนะพอเรารู้ทันว่าความโกรธเกิดแล้วความโกรธก็จะหายไปเดี๋ยวความโลภก็เกิดอีกพอเรารู้ทันความโลภก็หายไปเดี๋ยวก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หลงไปอีกละ เนี่ยจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะสรุปไตรลักษ์ออกมาเองจิตมันรู้ไตรลักษ์ของมันเองนะเรามีหน้าที่ตามดูสภาวะที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไปเรื่อยเท่านั้นแหละแล้วจิตจะรู้ไตรลักษ์เองก็ไม่ต้องพิจารณาธรรมะอะไรเย่างี้ใช่ไมเออไม่ต้องนะยกเว้นแต่ว่าจิตฟุ้งซ่านมากก็พิจารณาธรรมะเป็นสมถกรรมฐานทาให้จิตสงบ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 เรื่องที่คิดะคอะเขามันก็เลยเป็นภาวะเหมือนกันอั้นเพอเราคิดไม่ดีถ้าได้ความทุกข์ถ้าเราไปคิดดีๆเราได้ความสุขแต่ทั้งความสุขและความทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงนะนั้นปล่อยให้มันคิดแล้วเรามีสติรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปนี่พอมันใจหลายไปคิดปั๊บสติรู้ทันนะความคิดจะดับไปใจจะตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งมีความสุขแวบหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความสุขอันนี้เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราคุณต้องตั้งหลักให้แม่นนะ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 ก็จิตเป็นขันจิตต้องทุกข์แน่นอนแต่ถ้าเรารู้ทันเราหมดความยินดีหมดความยินร้ายเราก็พ้นทุกข์ไป <c oughs> ให้คุณคของคุณให้รู้ทันเลยจิตมันยังยินร้ายอยู่มันขี้โมโหรู้สึกไหมมันโมโหทุกเรื่องมันญหงุดหงิดทุกเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันก็มโมโหนะมโมโหตัวเองได้ด้วยเพราะเรารู้ทันรู้ทันออกไปจิตเราไม่เป็นกลางจิตเรายินร้ายกับอารมณ์อย่างน้นยินร้ายกับอารมณ์อย่างนี้รู้เรื่อยๆไป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 พวกที่เฝ้ากล่องนะใจลอยหมดเลยเอ้าวว่าไป ร, หรอหลวงพ่อตื่นเต้นแล้วก็สลับกับง่วงค่ะแล้วก็ดูจิตมาสักระยะหนึ่งต่อนหน้านั้นทำรูปแบบคือเคลื่อนไหวสร้าง่องหวะแล้วก็รู้สึกว่าไปอยู่วันมาห้าวันแล้วมันไม่ตื่นเลย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 การขยับแล้วรู้ทันจิตไปไปทำผิดนะไม่ใช่ว่าวิชาขยับเขาไม่ดีนะะไม่ใช่อย่างนั้นแต่รู้สึกว่ามันไปอยู่ห้าวันนี้มันเสียเวลาเรามากเลยแต่มาฟังซีดีหลวงพ่อแป๊บเดียวมันตื่นสดชื่นขึ้นมาเลยโอ้ยอย่าไปเทียบอย่างนั้นนะเ <c oughs> นี่ยท่านนั่งอยู่นี่เดี๋ยวท่านว่าเอาแล้วก็รู้สึกว่าจะหลงคิดไปมากอยู่อะคะ่ะเออสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนนะั่นนะสุดยอดกรรมฐานละ <Okay. S 2> เราไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนอย่างท่านสอนขยับเนี่ยท่านบอกขย่าวธาตรู้ใช่ไหมทั้นขยับเพื่อจะรู้สึกตัวเพราะเราขยับเพื่อจะให้จิตสงบเงนี้ยขยับเพื่อจะให้จิตสบายใช่ไหมผิดวัตถุประสงค์งั้นเมื่อไหร่จะสงบวะไม่สงบสัทีใช่ไหมก็โมโหสิใช่ขยับเล่นๆสิ <laughs> เห็นไหมไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา <laughs> เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิก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 ดูจิตแล้วก็ดูจิตไปคนไหนถนาดดูกายก็ดูกายไปแต่ต้องดูให้เป็นดูกายก็จะต้องเห็นว่ากายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูมีกายกับจิตแยกออกจากกันนะดูเวทนาก็เห็นเลยเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะถ้าดูจิตก็จะเห็นเลยกุศลและอกุศลเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาใจอยู่ต่างหากนะค่อยฝึกไปแล้วก็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 แล้วก็ไปดูว่ารูปแบบไหนที่เหมาะกับเราเราทำแล้วสติเกิดบ่อยเราก็เอาอย่างนั้นคนไหนดูท้องพองยุบถ้าดูเป็นนะสติก็เกิดคนไหนรู้ลมหายใจถ้าดูเป็นสติก็เกิดทำจังหวะมือสติก็เกิดถ้าทำเป็นถ้าทาผิดก็ไปเพ่งเหมือนกันหมดเลยไม่มีดีไม่มีเลวอะไรกว่ากันหรอกแต่ต้องจับหลักให้แม่นขออีกนิดนึงแล้วมันมีใส่เสียคือมันชอบไปดูจิตคนอื่นนะคะ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 เหมนยังครับผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อก่อนนี้เคยปฏิบัติเคยเคยปฏิบัติแล้วมันค่อนข้างจะไปเป็นทางสมถะแล้วก็จิตมันจะฟุ้งฟุ้งฟุ้งานนั่นลักษณะฟุ้งร้านต่อหลังมาเดือนประมาณเดือนหนึ่งผมมีโอกาสฟังซีดีของพ่อก็อเลยมามาเริ่มมาหารมาดูจิตตอนนี้ เวลามาเวลาทําปฏิบัติเนี่ยจิตมันคอยจะไหลไปที่จมูกแล้วก็ตัวมันก็จะแบบปองๆ อ, องมันจะรู้สึกตัวสภาวะตอนนี้นี่รู้สึกว่าตื่นๆตื่นๆ น, น, น, น, นี่ผมไม่ทราบว่าที่ผ่านผ่านมาเนี่ยผมมันกลัวว่าปฏิบัติผิดผิดทางครับไม่ผิดแล้วนะไม่ผิดแล้วใจเริ่มเริ่มถอยออกมาเริ่มตื่นออกมาแนละ้วการที่เราภาวนาแล้วเราเห็นว่าจิตเราไหลไป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 เราที่เราจิตพอคอยมันคอยจะไหลเข้าไปอยู่ที่ที่ลมหายใจนี่ถูกถูกไหมครับ <c oughs> อะไรนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกเราจะมันจะลงไหลไปอยู่ที่ลมลมหายใจให้เรา<อ>รู้ท<อ>ันให้เรารู้ทันว่าความรู้สึกเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจใช้ได้เลยแต่ถ้าความรู้สึกไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเราก็เคลิ้มเคลิ้มไปใช้ไม่ได้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 บริกรรมพุทโธค่ะระหว่างวันเนี้ยก็พบว่าเขาก็จะรู้ตัวขึ้นมาเองอะค่ะก็จะรู้ตัวแวบหนึ่งแล้วก็จะเผอไปแล้วก็รู้ตัวขึ้นนะคะเวลามีอารมณ์แรงๆอย่างเช่นเราโกรธใครหรือไม่พอใจเนี้ยก็จะรู้สึกค่ะบางวันที่มีกําลังดีก็จะหยุดได้ว่าเราจะไม่ทําอาการที่ไม่ดีออกไปอะค่ะแต่บางวันถ้ากําลังไม่ดีเนี้ยก็จะมีหลุดออกไปบ้างเจค่ะแล้วก็พบว่า จิตใจของตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดีอย่างที่เคยคิดนะคะอบางทีเราเจอคนที่ทําให้เราไม่พอใจมันเหมือนมีลึกๆลึกนึกอยู่ในใจว่าเออเราไม่น่าจะไปโกรธเขาแต่ว่าเราก็ได้ยินเสียงตัวเองในหัวว่าเขาเป็นชุดเลยค่ะใหญ่มากมแล้วเราก็ตกใจว่าสังเกตไหมจิตมันด่าได้เองใช่ไหมจิตมันรักเองจิตมันโกรธได้เอง <c oughs> จิตมันคิดได้เอง <c oughs> เราดูไปเรื่อยๆจนกระทั่ง Ges เรารู้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเหรอกต้องค่ะ บางทีเราสวดมนต์อยู่มันก็ไปคิดเรื่องอื่นได้เองนะคะแล้วก็ว่าคนอื่นเจ้าค่ะดูอย่างนั้นแหละอย่าขี้เกียจนะดูไปเรื่อยๆอมาวันนี้อยากจะมาขอกันบ้านเจ้าค่ะเราพอเนี่ยละไปทําต่อค่ะะต้องทําอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าเจ้ค่ะใช้ได้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่มมันึงก็คือต่อไปนี้เวลาร่างกายกระดุกกระดิกนะก็รู้สึกบ้างแต่ไม่ใช่เพียงร่างกายนะค่ะแค่รู้สึกแค่รู้สึกเวลาที่ร่างกายอยากพูดรู้สึกไหม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 ที่กำลังอยากปฏิบัติต่อค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะน้ำมาศการหลวงพ่อเจ้าค่ะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เจ้าค่ะเออคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าติดประคองอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็หให้ไปดูร่างกายตามการเคลื่อนไหวหแล้วก็กลับไปดูร่างกายเห็นพอเห็นความคิดแล้วมันก็กลับมาที่ร่างกายต่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ป่วยเป็นไซนัส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 ค่ะจบหมดแล้วเร<ล>ื่องหนูค่ ะ, ะกลับนามา ส, ส ก, การหลวงพ่อค่ะลูกเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะเมื่อสองอาทิตย์ก่อนลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแล้วซื่อก่อนหน้านี้ยลูกเคยแต่ไปแต่วัดบ้านไปถึงก็ปัญญาไม่เกิดว่าวิวัดป่าเราไปอยู่กุดก็ต้องจุดเทียนก็ตั้งสติพอภาวนาตอนเช้าทําวัดเช้า่ะค่ะก็เกิดนี่เห็นเห็นละเห็นหน้าตาตัวเองมีมีหนอนมี ขึ้นที่หน้าตา<อ>ค่ะก็ทําวัดเช้าจนเสร็จก็นั่งภาวนาอืมก็มีเกิดดับเกิดดับ<ม>พอวันที่สามลูกก็เห็นสังขารตัวเองเนี่ยค่ะเป็นกระดูกแล้วก็<อ>ย่อยสลาย<ม>นะคะพอวันที่สี่ลูกก็เห็นสังขารตัวเองอีกแต่ว่าเป็นย่อยสลายเป็ น, ป น, ปนชิ้นเป็นเป็นชิ้นชิ้นส่วนแล้วก็เหมือนโดนโดนดูดลงไปไม่ทร<อ>าบว่าการที่ลูกภาวนาเนี่ยเป็นปุงแต่ง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 เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยใช้แต่สมถมกรรมาฐานอยู่ตลอดและมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยติดเพ่งแล้วก็ประคองก็จึงมาวันนี้ก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยตรวจสอบดูว่ า, าจิตที่เป็นอยู่เนี่ยประคองหรือเพ่งอยู่หรือว่าตั้งมั่นแล้วพอใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆหมดคําถามขอบพระคุณพระอาจารย์เนะหลือประคองนิดหน่อยแต่ว่าเพราะว่าตื่นเต้นเลยไปกดเอาไว้นิดนึงแต่ถ้าไม่กดมันจะฟุ้ง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 ปล่อยมากกว่า น, นี้นะปล่อยมากกว่า น, นี้ให้ผ่อนคลายกว่า น, นี้อีกหน่อยคือตอนนี้กลัวหลวงพ่อมันได้นิ่งเกินจริงไปเยอะเลยนะปล่อยๆซะนะครับที่ฝึกอยู่นะพอใช้ได้แล้ะตอนนี้มันเออเรอไปเพราะว่ากลัวก็เลยไปเที่งไว้ขอบคุณครับหลวงพ่อคะกลาบนมัดกการหลวงพ่อค่ะคือลูกได้มาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะ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 อ, อย่างนั้นแหละดีแล้วต่อไปเราก็จะเห็นอีกจิตก็ทํางานอย่างของคุณเนี่ยตอนนี้คุณเห็นได้แล้วร่างกายเนี่ยรู้สึกไหมร่างกายอยู่ห่างๆออกไปแล้วความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็อยู่ห่างๆออกไปกิเลสก็อยู่ห่างๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านนละใจะเราเป็นแค่คนดูอยู่เนี่ยเฝ้ารู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดูอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ตอนนั้นมีความรู้สึกอยากจะหนีไปอะค่ะแต่ก็ไม่รู้จะหนีไปไหนก็แล้วแต่นั่นแหละพอเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายค่ะ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 เวลาเราอาบน้ำแนมะ้มันจะรูปตัวมันจะอะไรเนี่ยมันจะคอยรู้สึกไปนะเหมือนวัตถุเหมือนก้อนธาตุแต่ว่าถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้แล้วกลับไปอาบบ้านอย่าไปอาบน้ำ <laughs> นะมันก็เป็นตัวเราอยู่นั่นแหละนะเพราะอะไรเพราะมันจงใจนะของคุณนั้นไม่เคยภาวนาเพร า, า <c oughs> ไม่เคยภาวนานะถูสบูเฮ้ยมันไม่ใช่เราเนี่ยนะ <c oughs> นะแต่นี้เคยเห็นอย่างนี้แล้วอยากเห็นอีก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 แล้วเราก็พยายามทำดึงจิตนี้กลับเข้ามาสู่ในร่างกายหรอคะไม่ต้องทำเหล่านะจิตไม่หนีไปไหนหรอกเดี<อ>๋ยวมันก็มาเองอะเดี๋ยวก็กลับเข้าไปเองใช่ไหมเออ<ะ>ไม่กลับก็ชั่งมัน <c oughs> ก็ร่างกายเป็นของไม่ดีไม่ใช่เหรอค่ะเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้บอกว่าอยากหนีไปพอมันหนีจริงๆชักยอมไม่ได้อีกละค่ะ <c oughs> แล้วสอบถามนิดนึงคะ่ะว่าการสวดมนต์นี้เรียกว่าสมถกรรมฐานหรือเปล่าคะ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 นี่พอความสุขผ่านไปเราก็เสียใจในชะ่ไหมความทุกข์ไม่ไปสักทีหนึ่งเราก็เสียใจอีกก็ช่วงแรกก็แบบยังทําใจไม่ได้นะทำใจไม่ได้ไม่ต้องทําใจก็คือปล่อยให้อารมณ์ตรงนั้นคือเราเสียใจนะให้เรารู้หรื อ, อว่าเร า, เราเสียใจเราคอยรู้ไปนะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆนะเราก็เปลี่ยนความรู้สึกซะบ้างนะเปลี่ยนผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายเช่นไปดูหนังฟังเพลงบ้างแต่ไม่ใช่เที่ยวตะลอบเปิดเปิงไปนะ เอาพอผ่อนคลายนิดนิดหน่อยน่อยแล้วก็กลับมารู้ใหม่ก็อาศัยธรรมะที่ฟังจากซีดีหลวงพ่อรู้ไหมก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปก็ที่เราดูตอนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับติดเราที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือยอมรับกับวิบากรรมนั้นได้ถ้ายอมรับได้เมื่อไหร่นะจะไม่ทุกข์เมื่อนั้นจำไว้นะถ้าที่ยังทุกข์อยู่เพราะยังยอมรับไม่ได้ตอนนี้ก็คือถือว่าสภาพจิตใจก็ ดีขึ้นเยอะอะค่ะอาจจะด้วยซีดีที่ได้ฟังของพ่อแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้มาส่งกันบ้านแล้วก็ก็คือปัจจุบันที่ที่ทำอยู่ก็คือฟังซีดีแล้วก็ดูว่าหลงไปแล้วรู้สึกไหมหลงไปแล้ว่าว่าไปว่ า, เ, าเราเจอร่างกายเราเป็นยังไงจิตใจนะต่เหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงอะค่ะดีแล้วเราฝึกไปนะคนในโลกนี้ไม่ใช่เราทุกคนเดียว ใครๆก็ทุกข์ครั้งนั้นแหละเมื่อไม่กี่วันเนี้ยก็ <c oughs> มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> ไปภาวนา <c oughs> ไปที่วัดบ่อยๆนะอยู่ๆเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยเลขอการบ้านบอกอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มาส่งการบ้านละแต่ว่าไม่ได้หวั่นไหวนะอจะตายก็ตายอะไรเงี้ยต้องต้องใจแข็งอย่างนั้นถ้าเรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้นะจิตใจจะมีความทุกข์มากถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่ทุกข์มากอ่ะ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 ความทุกข์ไม่ใช่ปัญหาความทุกข์เป็นส่วนเกินของชีวิตงั้นเมื่อมีปัญหาขึ้นมานะเรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปเราก็จะเห็นมันก็แค่สภาวะอย่างหนึ่งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใน่ใจมันจะไม่ทุกข์แสดงว่าตอนนี้ใจหนูยังไม่ถือว่าเป็นกลางใช่ไหมคะเออยังไม่เป็นกลางมันเป็นเป็นพักๆใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็ไม่เป็นมันยังไม่เป็นอย่างแท้จริงให้เรารู้ต่อไปอีกนะกรรมนะกรรมขอบคุณค่ะ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 มันจะตกนรกตกทั้งคู่แหละไอ้คนนั้นก็ตกไอ้คนทําก็ตกนะแต่ถ้าคนที่เราเนี่ยพ่อแม่เราจะตายนะอย่าเปเขยา่าเขย่านะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายนะเขาเลยไม่อยากตายนะตายปุ๊บเป็นเปรตเลยะพอเขาเป็นเปรตจริงๆนะเขาบอกขอให้ไปที่ชอบที่ชอบเนะอะมันเอาอยัางไงแนะ่มันอยากให้อยู่ด้วยหรือเปล่านะั่นอยู่ที่ใจเรานะเราต้องรักษาจิตของเราไว้ให้ดีนะให้จิตของเราเป็นกุศล น, นะในขณะที่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 ยถาวอริวะฮปุราปาริปูเรนตีสักขรังเอวเมวัยโตตินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติลาโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีตีคาโยโภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปัจจายิโนจตตาโรธมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังภาวนานะภาวนาไปในโลกมีแต่ความทุกข์นะช่วยตัวเอง